การแก้ความเข้าใจพลาดเหล่านี้เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติไปในตัวข้อที่หนึ่งพึงเข้าใจว่าวิชาสองข้อต้นไม่จำเป็นสำหรับการตรัสรู้มายถึงการบรรลุอรหัตผลหรือการประจักษ์แจ้งนิพพานคือไม่จำเป็นต้องได้ปลูกเพณนิวาสานุสติญาณและจุตูปปารทะยานก่อนจึงจะตรัสรู้ได้ เหตุผลและหลักฐานอย่างง่ายๆคือหลักปฏิบัติตามสำนวนแบบที่หนึ่งบางแห่งไม่มีวิชาสองข้อต้นกล่าวคือเมื่อดำเนินมาถึงชาญ4สี่แล้วน้อมจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วไปเพื่ออาสวะคยายานทีเดียวไม่กล่าวถึงปุบเพนนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตยญาณเลยแสดงว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจทาได้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 คืออรูปสมาบัติพูดสั้นๆว่าไม่ได้โลกิยะอภิญญาห้าและไม่ได้อรูปฌานได้แต่อาสวะขยายานอย่างเดียวการบรรลุอภิญญาหกซึ่งรวมวิชาทั้งสามอยู่ด้วยแล้วไม่ว่าข้อใดๆย่อมอาศัยจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วด้วยสมาธิที่ประนีถึงขั้น เมื่ออบรมจิตมีสมาธิดีพอแล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออภิญญาข้อนั้นๆตามประสงค์คือนาจิตไปใช้เป็นบาทฐานสำหรับสร้างอภิญญาข้อที่ตนต้องการไม่จำเป็นว่าต้องผ่านอภิญญาข้อนี้ก่อนแล้วจึงจะก้าวไปสู่อภิญญาข้อนั้นได้ดังมีหลักอยู่ปรากฏในบาลีหลายแห่งว่าด้วยสมาธิที่อบรมดีแล้ว เธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะประจักแจ้งซึ่งอภิญญาสัจจิกรณียธรรมคือสิ่งที่พึงทำให้ประจักด้วยการรู้จักจำเพาะอย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมะนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะคือเหตุมีอยู่กล่าวคือถ้าเธอจำางงอิทธิวิทาก็ย่อมถึงถ้าเธอจํานง ทิพยโสต์ก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงเจโตปริย า, ยานก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงอุเพนิวาสานุสติก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงทิพยาจักสุกก็ย่อมถึงถ้าเธอจำงอาสวะไขาก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมะนั้นๆได้ในเมื่ออายตนะมีอยู่